ซือเรื่องกลุ่มแตกของพลตรีหลวงวิจิตรวัฒการบทที่หนึ่งคำสาปของพระมหาราชพระนครลบบุรีราชธานีที่ประทับของสมเด็จพระนารายมหาราชได้รับการตกแต่งอย่างแบบใหม่ตึกรามและถนนหนทางทันสมัยมีตลอดถึงการประปาที่ส่งน้ำจากทะเลชุบศรมีชาวต่างประเทศนานาชาติมาสมูสอร พึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนารายณ์ผู้เป็นพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่เป็นองค์หนึ่งในสององค์พระมหากษัตริย์ไทยที่เดินลุกรบเข้าไปถึงแดนพม่าและพระราชทานสันติสุขอันยืนยาวแก่ชาวไทยพระเกียรติศักดิ์เกีติคุณได้แผ่ไปทั่วทิศานุทิศและในวันที่เรากําลังกล่าวถึงนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประทับอยู่ในแท่นที่นั่งสุดท้าสวรรค์มีได้แวดล้อมด้วยแสนสุรังนางกำนัน เสนามาตรราชบริพานทรงประทับอยู่ในที่ระโหฐานมีข้าราชการเฝ้าอยู่เพียงสองคนคือเจ้าพระยาวิเยนและโกษาปานทรงประทับฟังรายงานของโกสาปานซึ่งเพึ่งกลับจากประเทศฝรั่งเศส ร, รายงานความเป็นไปที่ได้พบเห็นไม่ใช่เรื่องแถวทหารฝรั่งเศสยิงปืนกรอกเข้ากระบอกของกันและกันไม่ใช่เรื่องทัพทีมขนาดเท่าหมากสงทาให้เห็นแสงแดงฉานไปทั้งองค์พระเจ้าหลุยที่ส4 เหมือนอย่างที่นักพงศสวัสดิ์เอาคําเล่าปากตลาดมาละเมอเพ้อฝันเขียนประวัติศาสตร์แต่โกสาปาลมีความฉลาดสามารถยิ่งกว่านั้นเขาได้รับพระกระแสรับสั่งไปปฏิบัติงานได้สําเร็จสมประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์ยากที่จะหาอมารนานักการทูตคนใดเปรียบกับท่านผู้นี้ได้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชรับสั่งถามเจ้าพญายวิชเยนว่าเราจะมีเรือเดินค้าขายทางทะเลได้สักกี่ลำเจ้าพญายวิชเยนทูลตอบว่า ขอเดชะในเวลานี้เรามีเรือเดินทะเลอยู่43ลสามลแต่เรือที่จะเดินไปทางไกลถึงชวามาลายูและเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นมีอยู่เพียงหกลาสมเด็จพระนารายณ์ตรัสว่าพยายามสร้างเรือขนาดใหญ่เจ้าพยาวิชาเยนทูลตอบว่าขอเดชะเราได้ผู้ชำนาญของฝรั่งเศสมาช่วยข้าพุทธเจ้าคิดด้วยกล้าวด้วยกับหมอมว่าคงจะสร้างเรือขนาดใหญ่ ได้ดีกว่าเรือที่เรามีอยู่แล้วเสอีกพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระนารายมหาราชมีพระบรมราชโองการว่ารีบทำเวลานี้เป็นโอกาสดีที่สุดของเราเรือฝรั่งเข้าเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นไม่ได้เรือไทยเราเข้าได้ฝรั่งต้องอาศัยเรือไทยเราบรรทุกสินค้าเรามีเรือสักร้อยลาก็ไม่จนสินค้าที่จะบรรทุกไม่ใช่หรือเจ้าพระยาวิชาเยนทูลตอบว่า มีอีกสักร้อยลาก็มีสินค้าบรรทุกพระเจ้าค่ะแต่เราจะต้องสร้างสายเดินเรือทางทะเลตะวันตกให้จงได้ทรงมีรับสั่งถามต่อไปว่าทรงทหารฝรั่งเศสไปอยู่เมืองมาริทแล้วสักเท่าไหร่เจ้าพญาวิชาเยนทูลตอบว่าสองกองร้อยพระพุทธเจ้าค่ะให้เขาสร้างป้อมและต่อเรือเรื่องราวยู่ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชผู้ทรงเห็นการไกลได้ทรงติดต่อกับชาวยุโรปมีฝรั่งเศสเป็นส่วนใหญ่ ทรงส่งทูดไปมากับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสต่างคนต่างปรารถนาไปคนละอย่างทางฝรั่งเศสต้องการแผ่คริสตศาสนาพยายามจะให้สมเด็จพระนารายมหาราชเข้ารีดถือคริสส่วนสมเด็จพระนารายมหาราชได้พยายามที่จะสแสวงหาผลทางอื่นกล่าวคือเรียนอวิชชาความรู้และแบบแผนสมัยใหม่เข้ามาบำรุงเมืองไทยเมื่อโกศาปานออกไปยุโรป ก็ได้พระราชทานกระแสะพระราชนโยบายไปครบถ้วนโกสาปานกลับมาพร้อมด้วยทหารฝรั่งเศสมีจำนวน 1,400 คนมีนายพลเดฟาสเป็นผู้บังคับบัญชาทหารที่ได้มานี้พระเจ้าหลุยที่14่ทรงเลือกให้มาล้วนแต่เป็นผู้มีวิชาการต่างๆกันและเจ้าพระยาวิชเยนก็ได้แบ่งปันหน้าที่ให้ทหารเหล่านั้นแยกย้ายกันไปทางานตามความรู้ของเขา ได้ส่งทหาร2องกองร้อยไปสร้างป้อมและต่อเรือที่เมืองมาริทด้วยเป็นแผนการของสมเด็จพระนารายมหาราชที่จะสร้างเมืองมาริทให้เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ในทะเลตะวันตกคือมหาสมุทรอินเดียทหารฝรั่งเศสสาม้อคนถูกแบ่งแยกแจกจ่ายให้ลงเรือเดินทะเลของไทยเพื่อฝึกฝนคนไทยให้เชี่ยวชาญการเดินเรือทหารจำนวนน้อยๆหลายจำนวนถูกใช้ในการสร้างป้อมปราการตามแบบสมัยใหม่ในเมืองต่างๆ ส่วนที่เหลือให้ประจำอยู่ที่ทนบุรีไม่ได้ยอมให้ขึ้นไปลบบุรีหรือกรุงศรีอยุธยาแต่ให้ในายทหารผัดเปลี่ยนกันขึ้นไปฝึกสอนทหารไทยที่ลบบุรีเพื่อให้ทหารไทยมีความรู้ในวิชาการลบอย่างสมัยใหม่ใหม่สำหรับเวลานั้นและนายทหารเหล่านั้นก็ต้องผัดเปลี่ยนกันขึ้นไปไม่ยอมให้ใครอยู่ประจานานรวมความว่าได้ทาการด้วยความระมัดระวังทุกอย่าง ที่จะไม่ให้ทหาร1 4 0 0คนซึ่งพระเจ้าหลุยที่14ส่งมาให้นั้นก่อผลร้ายให้แก่ไทยสมเด็จพระนารายณ์รับสั่งว่าอีกส0ปีข้างหน้าไทยจะมีเรือเดินค้าขายทางทะเลมากกว่าชาติใดๆในแถบนี้กองทัพไทยจะเป็นกองทัพที่สามารถยิ่งกว่าพมา่าหรือชาติไหนเมืองไทยจะแวดล้อมด้วยป้อมปราการแบบใหม่ซึ่งข้าศึกศัตรูไม่สามารถจะย่างเหยียบเข้ามาคนไทย จะมีความรู้มีวิชาเท่าเทียมคนชาติอื่นทั้งหลายอย่าว่าแต่พมา่าจะกลับมาทำร้ายเราดีกว่าพมา่าอีกสิบเท่าก็จะทําอะไรเราไม่ได้รุ่งศรีอยุทยาจะเจริญยิ่งให ญ, ใหญ่และจะดำรงคงอยู่ชัว่วกาลปรวสารนี่คือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหาราชผู้ได้ประกอบการทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างอนาคตของชาติไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ปรากฏว่ามีแผนการเศรษฐกิจของชาติ ใฝ่ฝันถึงการมีท่าเรือการเดินเรือค้าขายทางทะเลศึกษาวิทยาการตามแบบใหม่สร้างกองทัพอย่างสมัยใหม่ให้การฝึกฝนและอาวุธที่ทันสมัยเป็นการแน่นอนว่าถ้าพระราชนโยบายนี้ได้ดำเนินไปโดยปราศจากการขัดขวางทำลายเมืองไทยจะเข้มแข็งแล ะ, จะเจริญทุกวิถีทางกำลังทหารทั้งทางบกและทางเรือการค้าอุตสาหกรรมการศึกษาการคมานาคมและอำนาจทางทะเล จะก้าวไปทันนานาอารยะชาตกรุงศรีอ ย, ยุธยาจะไม่เสียแก่พมา่าเป็นครั้งที่สองและไทยเราจะไม่อยู่ในฐานะเป็นประเทศเล็กน้อยถูกคมเหงถูกประทุษร้ายถูกเชื้อเชือนดินแดนถูกทําให้แยกย้ายกระจัดพลัดพรายอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้แต่พระราชบณิธานและแผนการทั้งหลายนี้ได้ถูกทาลายลงโดยบุคคลสองคนคือพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์ซึ่งได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ตั้งราชวงศ์เรียกว่าวงบ้านพลูหลวงทั้งสองคนนี้สมเด็จพระนารายทรงเรียกว่าไอ้กบฏสองคนพ่อลูกและทั้งสองคนนี้ก็เป็นกบฏจริงๆพระเพศราชากับหลวงสละศักดิ์ได้แย่งราชสมบัติซึ่งควรจะได้แก่เจ้าฟ้าอาภัยทศพระอนุชาของสมเด็จพระนารายตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์สืบสันตติวงศ์และทําลายแผนการต่างๆของสมเด็จพระนารายณ์ลงหมดสิน้นไอ้กบฏสองคนพ่อลูก ตามที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรียกได้สืบเชื้อสายครองกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลา78ปีและได้กบฏมาตั้งแต่ต้นจนอวสานเริ่มต้นด้วยการกรบฏต่อองค์สมเด็จพระนารายณ์แล้วก็กบฏต่ออนาประชาราชทําความลามกอนาจาร์ฆ่าคนที่ไม่มีความผิดชอบกินอะไรก็ห้ามขาดไม่ให้รัษฎรกินเก็บไว้กินเสียคนเดียวกบฏต่อพระศาสนาฆ่าพระสงฆ์องค์พระเจ้า กบฏต่อประเทศชาติทําให้กรุงศรีอยุธยาแตกดับไปในที่สุดการทําลายแผนการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกี่ยวกับการบํารุงบ้านเมืองนั้นเป็นการตัดรอนความเจริญก้าวหน้าของชาติไทยทั้งชาติไม่มีกบฏครั้งใดจะแรงร้ายยิ่งไปกว่าที่ราชวงศ์บ้านภูหลวงได้ทําพระเพศราชาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2232เรียกนามตนเองว่า สมเด็จพระมหาบุรุษอยู่ในราชสมบัติได้ส4ปีมีธุระกังวลแต่ในเรื่องที่หาว่าคนอื่นเป็นกบฏต้องปราบปรามฆ่าคนจนคนดีเกือบจะหมดสิ้นไปในกรุงศรีอยุธยาสิ้นรัชกาลพระเพทราชาหลวงสรศักดิ์ได้ขึ้นครองเรียกตัวเองว่าพระสุริเยนทราทิปดีแต่รัษดรทั่วไปเรียกว่าพระเจ้าเสือเพราะร้ายเหมือนเสือหรือร้ายยิ่งกว่าเสือ เสือมันยังไม่ขมขืนเด็กที่ยังไม่มีระดูแต่สมเด็จพระศีสุริยนธราธิปดีทรงโปรดกรรมอันลามกเช่นนั้นลูกหลานที่ครองกรุงศรีอโยธยาสืบต่อมาก็เต็มไปด้วยเรื่องโหดร้ายลามกอนาจารเห็นแก่ตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพี่น้องฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าทำความเสื่อมโทรมทุกอย่างให้แก่ บ, บ้านเมืองบางทีจะเป็นคราวคลอกรรมของชาติไทยเราเอง เมื่อโกสาปานกลับจากยุโรปได้เพียงแเดือนและเจ้าพยาวิเยน์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นได้ปฏิบัติตามแผนการของสมเด็จพระนารายณ์อยู่อย่างขมักขม้นสมเด็จพระนารายณ์ก็ประชวนและไอ้กบฏสองคนพ่อลูกก็ฉวยโอกาสตั้งตนขึ้นสู่อำนาจวาสนาก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์จะเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงทราบข่าวทรยศด้วยความธมนัตพระไทยอย่างแรงกล้าทรงสาบแช่ง ไอ้กบฏสองคนพ่อลูกนานาประการคำสาบของพระมหาราชไม่ไร้ผลความเป็นไปของราชวงศ์บ้านพลูหลวงทำให้เราต้องยอมรับว่าพระมหากษัตริย์ที่ราชผู้ได้ทรงสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศชาติเช่นสมเด็จพระนารายนี้ย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในพระองค์ถ้าได้ทรงสาบแช่งใครเข้าก็อาจเกิดผลตามที่ทรงสาบแช่งจริงๆและผลที่ว่านี้ก็ได้เกิดขึ้นทันตาเป็นลาดับมา พระเภทราชาเองก็ต้องมีเรื่องปราบกบฏไม่หยุดหย่อนในวาระสุดท้ายของชีวิตคือเมื่อประชวนหนักก็ได้เห็นหลวงเสาลศักดิ์ฆ่าลูกของพระองค์เองทรงโทมนัสถึงกับสิ้นพระชนไปเองหลวงเสาลศักดิ์ได้ขึ้นของราชสมบัติต่อมาราษฎรก็เดือดร้อนทุกเส้นหญ้าเพราะความโหดร้ายสมกับที่ราษฎรถวายพระนามว่าพระเจ้าเสือโปรสเสวยน้ำจันอยู่เป็นเนืองนิด ยินดีสังวาดด้วยนางกุมารีอันยังไม่ได้มีระดูถ้ากุมารีคนใดไม่สามารถจะทนทานได้ก็เอาพระบาทกระทืบที่หน้าอกจนถึงแก่ความตายต้องหามศพออกทางประตูพระราชวังท้ายสนมเนืองๆจนประตูนั้นได้ชื่อว่าประตูผีออกพระเจ้าเสืออยู่ในราชสมบัติได้หกปีเมื่อสิ้นพระชนมพระโอรสองค์ใหญ่ของพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติเรียกพระนามหลายอย่างเรียกว่า สมเด็จพระสีสรรเพชญ์หรือพระภูมินทราชาหรือคุณหลวงท้ายสะหรือพระเจ้าอยู่หัวทรงปลาพระโปรดเสวยปลาตะเพียนถึงกับออกกฎหมายห้ามราษฎรทั้งประเทศไม่ให้ใครจับปลาตะเพียนมากินด้วยมีพระประสงค์ที่จะเก็บปลาตะเพียนทั่วประเทศไว้เสวยแต่พระองค์เดียวพอพระมหากษัตริย์องค์นี้สิ้นพระชนงก็เกิดสงครามกลางเมืองสงครามแย่งราชสมบัติ เป็นสงครามยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นการต่อสู้ระหว่างน้องชายกับลูกของพระเจ้าอยู่หัวทรงปลาซึ่งน้องชายเป็นฝ่ายมีชัยพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวทรงปราสององค์ถูกฆ่าตายคนที่สงสัยว่าเป็นพวกพ้องก็ถูกฆ่าตายตามกันพวกขุนนางข้าราชการเจ้านายบางองค์ถูกหาความเอาแหวนทองไปซ่อนไว้ใกล้ตำหนักแล้วมาค้นได้ หาว่าเป็นกระถูกจับไปประหารชีวิตข้าราชการเก่าสองคนคือพระยาพิชัยราชากับพญายมราชหนีเรื่องยุ่งยากไปบวชอยู่ที่สุพรรณบุรียังถูกไม่ไว้วางใจเกรงจะซ่องสุมผู้คนมาแย่งราชสมบัติสมเด็จพระอนุชาธิราชส่งคนไปแทงตายคาผ้าเหลืองทั้งสองท่านและด้วยมือที่เปื้อนเลือดดังว่านี้สมเด็จพระอนุชาธิราชก็ได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่า สมเด็จพระบรมโกศระหว่างที่อยู่ในราชสมบัติก็ฆ่าลูกฆ่าเมียและคำสาปของพระมหาราชก็มาปรากฏผลรุนแรงขึ้นในครั้งนี้อีกสมเด็จพระบรมโกศมีพระโอรสเจ็ดองค์ต้องประสบโชคร้ายไปทั้งเจดองค์องค์ที่หนึ่งคือกรมขุนเสนาพิทักษ์ซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าธรรมทิเบตเป็นโรคสาหรับบุรุษและเป็นคุถราช แล้วยังถูกหาว่าเป็นชู้กับพระชายาของพระชนกถูกเคี่ยนและถูกเอาเหล็กแดงหน้าจนตายพระโอรสองค์ที่สองคือกรมขุนอนุรักษ์มนตรีซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าเอกทัตเป็นโรคเรื้อนจนราษดรเรียกกันว่าขุนหลวงขี้เรื้อนพระโอรสองค์ที่สามคือกรมขุนพรพินิษ์พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรเป็นคนดีกว่าคนอื่น ถูกพม่าจับไปกักไว้ที่เมืองพม่าเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สองพระโอรสองค์ต่อไปคือกรมมื่นเทพพิพิธมีเรื่องน่าเกลียดหน้าชังภายหลังถูกสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีประหารชีวิตพระโอรสอีกสามองค์คือกรมมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมมื่นเสพพักดีถูกพี่น้องกันเองสำเร็จโทษด้วยท่อนจันตราชวงศ์ที่โหดร้ายราชวงศ์ที่น้องเลือด ได้นำมาซึ่งอวสานของกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช 2,310 นี้คือคำสาปของพระมหาราชซึ่งทำให้เราเห็นได้ชัดว่าพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เราถวายพระนามว่ามหาราชนั้นย่อมทรงมีอนุภาพที่จะสาปสันช่งคนที่ประพฤติร้ายให้ได้รับผลอ น, นาสสยดสยองไปจนชั่วลูกหลานเลนฉะนั้น เรื่องที่เกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์ผู้ได้ก่อคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาตินั้นจึงเป็นเรื่องที่ใครจะทําเล่นๆไม่ได้ถ้าพระองค์มิได้เป็นเทวราชในพระองค์เองก็อาจจะมีเทวดาช่วยพดุงอนุภาพของพระองค์คําที่พระราชทานพรหรือคําสาปแช่งอาจจะเกิดผลได้จริงๆเมื่อสมเด็จพระบรมโกศจวนสวรรคตก็ได้ทรงเห็นว่าในบรรดาพระโอรสของพระองค์นั้น กรมขุนพรพินิษ ด, ดีกว่าองค์อื่นจึงได้ตั้งกรมขุนพรพินิษฐ์เป็นราชทายาทและได้ใช้อำนาจในฐานเป็นพระชนกบังคับให้กรมขุนอนุรักษ์มนตรีผู้เป็นพี่ออกไปทรงผนวดเสียพุทธบัญญัติห้ามขาดมิให้คนที่เป็นโรคเรื้อนบวชเป็นพระภิกษุแต่เมื่อเป็นพระบรมราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดินว่าให้บวชอุปชาอาจารย์ก็ไม่กล้าขัดรับสั่งเลยบวชได้โดยผิดพุทธบัญญัติ แต่เมื่อสมเด็จพระบรมโกศสิ้นลงแล้วกรมขุนพรหินิดขึ้นของราชสมบัติกรมขุนอนุรักษ์มนตรีก็เปลืองผ้ากาสาวพัดเข้ามาประทับอยู่ในพระที่นั่งสุริย่าอมารินซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินดื้อแพ่งอยู่เฉยๆจนน้องชายรําคาญเข้าต้องถวายราชสมบัติขึ้นเป็นกษัตริย์เรียกพระนามพระองค์เองว่าสมเด็จพระบรมราชามาหาอดิศรพงศาวดานเรียกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาอาอมรินทร์หรือสุริยามารินทร์รัศดรทั่วไปเรียกตามพระนามเดิมว่าขุนหลวงเอกทั์บ้างเรียกตามพระโรคที่ทรงเป็นว่าขุนหลวงที่เรือนบ้างและในรัชสมัยขุนหลวงขี่เรือนนี้เองที่เรื่องกรุงแตกได้บังเกิดขึ้นข้าราชการสองสหายซึ่งอายุรุ่นราวคราวกันเล่าเรียนศึกษามาในสานักอาจารย์เดียวกันเข้ารับราชการพร้อมกัน ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ในปีเดียวกันและรักใคร่สนิทสนมกันทั้งตัวเองและในครอบครัวคนหนึ่งชื่อหลวงจบไกลแดนอีกคนหนึ่งชื่อหลวงแสนพลพ่ายตั้งบ้านเรือนอยู่ติดกันในกรุงศรีอยุธยาเขาแต่งงานปีเดียวกันภริยาหลวงจบไกลแดนชื่อนิ่มนวลภรรยาหลวงแสนพลพ่ายชื่ออุ่นเรือนและสตรีทั้งสองนี้ก็เป็นเพื่อนที่รักใคร่กัน เขาแต่งงานในปีพุทธศักราช 2,302 คือปีที่ศึกอลองพยาเข้ามาประชิดกรุงเวลาแต่งงานหลวงจบไกลแดนมีอายุ29ปีหลวงแสนพลาพ่ายมีอายุ28หลวงจบไกลแดนจึงมีฐานะเป็นพี่ส่วนภริยาของเขาทั้งสองมีอายุ20ปีเท่ากันความสัมพันธ์ในระหว่างครอบครัวทั้งสองนี้จึงเป็นความสัมพันธ์อย่างญาติมิสนิทสนม จะนิดกันยิ่งกว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาเสอีกศึกพมา่าคนในสมัยนั้นเคยได้ยินมาบ้างว่าเคยมีศึกพมา่ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาในโบราณการแต่ไม่มีใครเคยเห็นเพราะว่าเรื่องศึกสงครามนั้นตั้งแต่กองทัพใหญ่ของสมเด็จพระนารายมหาราชบุกขึ้นไปถึงภูกามเมื่อพุทธศักราช2องพแล้วไทยก็ไม่ได้พบศึกใหญ่มาตลอดเวลา94ปี94ปีแห่งสันที่สุข ที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานให้แก่บวงชนชาวไทยและในระหว่างเวลาเหล่านี้ราชวงศ์บ้านผู้หลวงก็ได้ใช้สันติสุขที่พระมหาราชได้พระราชทานไว้ให้ในทางเห็นแก่ตัวทําความซุดโสมทุกวิถีทางกองทัพพม่ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาเรื่องนี้ยิ่งห่างไกลมากเพราะหลังจากที่พม่ามาล้อมกรุงในพุทธศักราช2129และสมเด็จพระนเรสวนมหาราช ได้ทรงออกปร้นข่ายพม่าเอาพระแสงดาบฆ่าพระโอษฐ์ปีนค่ายจนถูกแทงพระตกลงมาทรงเข้ายิงแย้งแทงฟันรบกับพม่าด้วยพระองค์เองขับไล่พม่าออกไปจากกำแพงกรุงแล้วนับแต่นั้นมากองทัพพม่าก็ไม่ได้เคยย่างเหยียบเข้ามาถึงชาญพระนครกรุงศรีอยุธยาแปลว่าเป็นเวลาถึง173ปีที่ชาวพระนครศรีอยุธยามิได้เห็นกองทัพพม่ามาล้อมกรุง อนุภาพของพระมหาราชทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้สร้างสันติสุขให้แก่ชาวไทยยืนยาวเกือบสองศตวรรษและผู้รับมรดกปกครองราชาอาณาจักรต่อจากพระมหาราชสองพระองค์นี้ก็ได้ถือโอกาสแห่งสันติสุขที่ได้รับพระราชทานนั้นเป็นเวลาสร้างอาณาประโยชน์ของตนเองซึ่งเป็นความอ่อนแอของประเทศชาติหลวงแสนพลภ า, ายพูดกับหลวงจบไกแดน ในฐานะญาติมิตรสนิทว่าว่าอย่างไรท่านผู้มีชื่อว่าหลวงจบไกลแดนท่านจะช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรหลวงจบไกลแดนตอบว่าป่วยการได้รับราชทินานามว่าหลวงจบไกลแดนแต่ไม่เคยได้ไปทางไหนมกอยู่แต่ในกรุงศรีอยุธยาการรบการศึกเป็นอย่างไรก็ไม่เคยเห็นแล้วท่านละ่ะท่านผู้มีนามว่าหลวงแสนพลพ่ายหลวงแสนพลพ่ายตอบว่า ก็ไม่เคยรู้จักอะไรอีกเหมือนกันได้ราชทินนามใหญ่โตโมโหราณว่าแสนพลภาพแม้แต่จะจับดาบเข้าสู้รบก็ไม่เคยนิ่มนวลภรยาหลงจบไกลแดนพูดว่าคราวนี้เป็นโอกาสละคุณหลวงแสนพลภาพจะได้จับดาบในครั้งนี้อุ่นเรือนกล่าวว่าฉันไปด้วยหลงจบไกลแดนถามว่าไปไหนอุ่นเรือนตอบว่าไปไหนก็ได้สามีของดิฉันไปไหนดิฉันก็จะไปด้วย นิ่มนวลพูดว่าฉันก็เหมือนกันหลวงจบไกลแดนถามภรรยาของตัวว่าน้องจะไปรบกับเขาหรือนิ่มนวลตอบว่าก็ไม่จำเป็นผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไปรบหลวงจบไกลแดนถามว่าแล้วไปทำไมภรรยาท่านตอบว่าไปคอยหุงอาหารส่งให้ทหารที่เขาไปรบผู้หญิงไม่สามารถจะไปสู้รบตบมือกับใครได้เราคอยไปช่วยให้กองทหารมีสเสบียงกินจะเป็นประโยชน์มากกว่า อุ่นเรือนพูดกับนิ่มนวลว่าตกลงนะเธอสามีของเราไปทางไหนเราไปด้วยหลวงแสนพลพภาพพูดว่าเราจะมีใครเป็นแม่ทัพนายกองหลวงจบไกลแดนตอบว่าขุนนางวางน้ำเรามีถมไปเจ้าพระยามาหาเสนาพระยายมราชพระยารัตนาธิเบศหลวงแสนพลพภาพพูดว่าแล้วเราจะมีฝีไม้ลายมือสักเพียงไรนิ่มนวลตอบว่า ใครจะมีฝีไม้ไลายมือสักเพียงไรก็ตามแต่เจ้าคุณรัตนาาธิเบศนั้นดิฉันไม่เลื่อมใสหลวงจบไกลแดนพูดว่าทำไมท่านเป็นจตุสดมฝ่ายวังนิ่มนวลตอบว่าแต่ดิฉันไม่เลื่อมใสในท่านผู้นี้คอยดูไปก็แล้วกันกองทัพพม่าที่ยกเข้ามาครั้งนี้เข้าตีทางทวายมริดและตะนาวสีเมื่อสมเด็จพระสุริยาอาอมรินได้ทรงทราบข่าวอันนี้ ก็ส่งเรียกพลห้าพันคนออกไปต่อต้านพมา่าน่าอนาดใจหลวงจบไกลแดนพูดในการสนทนาระหว่างครอบครัวทั้งสองหลวงแสนพลรพ่ายถามว่าเรื่องอะไรหลวงจบไกลแดนตอบว่าเกณฑ์พลห้าพันคนสําหรับต่อต้านกองทัพพมา่าหลวงแสนพลพ่ายถามว่าทําไมซึ่งก็ได้รับคําตอบกลับไปว่าครั้งสมเด็จพะระนเรศวรและสมเด็จพะระนารายณ์เป็นเจ้า ทรงเกณฑ์พลได้ตั้งแสนสำหรับสู้รบกับพมา่านี่เราเกณฑ์ได้เพียงห้าพันเท่านั้นอุ่นเรือนพูดขึ้นบ้างว่าคงจะยังไม่เห็นเป็นศึกใหญ่กระมังคะหลวงจบไกรแดนตอบว่านั่นแหละแล้วมันจะใหญ่ขึ้นจำนวนพลห้าพันที่เกณฑ์ได้นั้นแบ่งแยกออกเป็นสองกองทัพทัพหนึ่งให้พระราชรองเมืองซึ่งว่าที่ยมาราชบางทีก็เรียกกันว่าพระยายมาราชเป็นแม่ทัพ ให้ยกข้ามเขาบรรทัดไปทางด่านสิงขรคอยรับทัพพม่าที่นั่นส่วนอีกกองหนึ่งพระยารัตนาทิเบศเป็นแม่ทัพคอยรักษาการภายในเขาบรรทัดกองพระราชรองเมืองหรือพระยาอมราชนั้นมีจํานวนพลสามพันส่วนกองของพระยารัตนนาทิเบศนั้นมีจํานวนพลสองพันพวกนายทัพนายกองล้วนเป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองเช่นในกองของพระราชรองเมืองมีพระยาเพชรบุรีเป็นกองหน้า พระยาไร่บุรีเป็นยกกระบาดพระยาสมุทรสงครามเป็นเกียรกายพระทนบุรีกับพระนนทบุรีเป็นกองหลังกองทัพอย่างขนาดของพระราชรองเมืองนี้ถ้าเป็นสมัยสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระนารายณ์ก็จะถือเป็นกองน้อยๆกองเดียวและผู้บัญชาก็ไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่โตถึงปานนั้นหลวงจบไกลแดนกับหลวงแสนพลพ่ายถูกแยกกันหลวงจบไกลแดนต้องไปในกองทัพของพระราชรองเมือง ส่วนหลวงแสนพลพ่ายต้องไปในกองทัพของพระยารัตนาธิเบตความมุ่งหมายของพระยาทั้งสองคือนิ่มนวลและอุ่นเรือนที่จะไปกับสามีนั้นไม่สำเร็จในครั้งนี้เพราะสามีทั้งสองไม่ยอมให้ไปโดยหลวงจบไกลแดนให้เหตุผลว่ายังไม่เคยรู้ว่าศึกสงครามเป็นอย่างไรผู้หญิงจะไปทำอะไรได้อย่างไรก็ยังมองไม่เห็นขอไปให้ได้ความรู้เสียสักครั้งหนึ่ง เพื่อเห็นลู้ทางที่ผู้หญิงจะทำประโยชน์ได้อย่างไรข่าวหลังจึงค่อยไปได้วยกันก่อนหน้าเคลื่อนทัพหนึ่งวันมีข่าวตื่นเต้นเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาว่ามีคนคนหนึ่งชื่อชูเป็นขุนรองประหลัดกรมการเมืองวิเศษชัยชาญเป็นผู้ครังในวิทยาคมมีลูกศิษย์ลูกหามากคุมสมัครพรรคพวกที่อยู่ยงคงกระพันเป็นจานวนถึงสี่ร้อยคนมาอาสาเป็นกองอาถมาศ เรื่องที่ว่าจะให้กองอัตมาศของขุนรองประหัด ช, ชูไปกับกองทัพกองไหนนั้นเป็นเรื่องที่โต้เถียงกันมากเพราะท่านแม่ทัพทั้งสองคือพระราชรองเมืองและพยารัตนาธิเบตต่างก็ต้องการกองอัตมาศนี้แต่พยารัตนาธิเบตมีเสียงมากกว่าเพราะเป็นผู้ใหญ่กว่าท่านเป็นจตุสดมฝ่ายวังมานานแล้วส่วนพระราชรองเมืองเพิ่งว่าที่จตุสดมฝ่ายเมืองคือว่าที่โยมราชถึงอย่างไร ก็ยังอยู่ในฐานะเป็นเด็กกว่าพระยารัตนาทิเบตพระยารัตนธิเบตจึงเป็นฝ่ายชนะและได้กองอัธมาศไปนิ่มนวลพูดว่าดิฉันเห็นว่ากองอัธมาศนี้กองเดียวที่จะได้เป็นกองรบในกองทัพของเจ้าคุณรัตนาทิเบตหลวงแสนพลาพ่ายซึ่งถูกไปในกองทัพพระยารัตนาทิเบตถามว่าทำไมนิ่มนวลพูดว่าคุณหลวงคอยดูเถอะเจ้าคุณรัตนธิเบต คงจะเสือกใส า, ากองอัตมาต์นี้ออกเป็นกองหน้าถ้าจะต้องตายกองอัตมาตก็ตายเพียงกองเดียวส่วนเจ้าคุณรัตนาธิเบศนั้นถึงอย่างไรก็รอดกลับหลวงจบไกลแดนพูดว่าพี่ดูน้องไม่ชอบท่านเจ้าคุณรัตนาธิเบศเสีเลยนิมนวนตอบว่าคอยดูซิพี่พี่จะเห็นว่าเจ้าคุณรัตนาธิเบศเป็นคนอย่างไรหลวงแสนพลพรไผถามว่าแล้วท่านใหญ่โตขึ้นมาถึงตำแหน่งจตุสดมวังได้อย่างไร นิ่มนวลตอบว่าด้วยวิธีรู้หลบเป็นปีกลู้หลีกเป็นหางพ่อดีฉันเคยอยู่กับพระยารัตนาธิเบศ ร, รู้จักลักษณะนิสัยของท่านผู้นี้ดีหลวงแสนพูดว่าถ้าเะ่นนั้นผมจะไปกับกองอธรมาตอุ่นเรือนค้านว่าอย่าทำอะไรให้ยุ่งไปเลยเขาให้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นก่อนหลวงจบไกรแดนกล่าวว่าฉันก็เห็นด้วยว่าเรายังไม่ถึงเวลาที่จะดิ้นรนทาอะไรไปให้มากรอดูไปก่อนดีกว่า กองทัพกรุงศรีอยุธยาได้เคลื่อนออกไปกองทัพพระราชรองเมืองซึ่งมีพลเพียง3ามพันต้องเดินทางลำบากกันดานข้ามภูเขาบรรทัดลงทางด่านสิงคอนและมีแผนการว่าจะไปป้องกันเมืองมริดและตะนาวศรีเพราะในเวลานั้นทางกรุงศรีอยุธยาทราบกันแต่เพียงว่าพมา่ามาตีเมืองมริดและตะนาวศรีไม่ทราบว่าทั้งสองเมืองนี้เป็นตายร้ายดีประการใด นายทัพนกองทุกคนบ่นถึงความยากลําบากทั้งทั้งที่ตัวไม่ต้องเดินด้วยเท้ามีโอกาสจะขึ้นช้างขึ้นมา้าบางทีก็ขึ้นคานหามเกือบทุกคนบ่นคิดถึงบ้านห่วงลูกเมียที่อยู่ข้างหลังเกิดมาไม่เคยพบศึกสงครามห่วงว่าพมา่าจะไปเข้าทางด่านแม่ละเมาหรือด่านเจดีสามองค์แล้วเข้าประชิดกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่ห่วงการสู้รบป้องกันเมืองแต่ห่วงว่าจะไม่มีใครพาลูกเมียหนีภัย ความห่วงเมียมีอยู่เพียงเท่านั้นแต่ตรงกันข้ามพลเมืองที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารกลับมีใจคึกคักเข้มแข็งและต้องการรบเพื่อป้องกันบ้านเกิดเมืองบิดรทหารคนหนึ่งซึ่งเผอิญอยู่ในกองเดียวกับหลวงจบไกลแดนพูดว่าตายร้ายก็ทีตายดีก็หนอีกคนหนึ่งพูดว่าฉันก็ไม่กลัวตายแต่เมื่อมานึกถึงว่าเราจะต้องตายเพื่อคนขี้เรือนกุดถังนั่งคลองเมืองมันก็ไม่อยากตาย หลวงจบไกลแดนพูดเอาใจทหารซึ่งเขาคุกคลีอยู่ด้วยอย่างเพื่อนร่วมตายจริงๆว่าอย่าคิดอย่างนั้นสิเพื่อนยากเราต้องไม่นึกว่าเราตายเพื่อใครเราตายเพื่อกรุงศรีอยุธยาของเราแต่ทหารคนนั้นตั้งปัญหาถามว่าเราตายแล้วใครอยู่หลวงจบไกลแดนจึงตอบว่ากรุงศรีอยุธยาอยู่ทหารคนนั้นกล่าวตอบไปว่าอยู่เพื่อคนขี้เรือนนั่งเมืองอยู่เพื่อพวกคนใหญ่คนโตที่เห็นแก่ตัวช่อฉนคดโกง หาประโยชน์ส่วนตัวเรื่อยไปเราจะต้องตายแทนคนพวกนั้นหรือหลวงจบไกลแดนตอบว่าเราคิดเสียว่าเราทําให้บ้านเมืองของเราก็แล้วกันอย่าไปคิดถึงเรื่องคนทหารผู้นั้นตอบว่าไม่คิดก็ไม่ได้เพราะบ้านเมืองก็ต้องมีคนครองถ้าเรามีคนครองดีๆอย่างที่เขาเล่าถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าหรือพระนารายณ์เป็นเจ้าแล้วก็มาสิตายสักกี่หนก็เอาหลวงจบไกลแดน เก็บเอาคำของทหารคนนั้นมาคิดจริงของเขาผู้ครองบ้านเมืองนั้นมีความสําคัญมากเพราะมหากษัตริย์อย่างสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นไม่มีใครลังเกียดที่จะไปตายเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาตายแล้วบ้านเมืองยังอยู่พี่น้องลูกหลานของเขาจะได้รับความร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะผู้ปกครองเป็นคนดีให้ความยุติธรรมแก่อาณาประชาราษฎรไม่คดโกงกอบโกยหาประโยชน์ส่วนตัว ถ้ามีความเชื่อมั่นอยู่อย่างนี้ทุกคนก็ยินดีตายในการสู้รบแต่ถ้าไม่แน่ใจในเรื่องผู้ปกครองประเทศแล้วก็เป็นการยากที่จะหวังให้คนยอมตายได้ทหารคนนั้นพูดอีกว่าเขาว่าถูกสาบไม่ใช่หรือกษัตริย์วงนี้นะ่ะทหารอีกคนหนึ่งถามว่าใครสาบไว้ทหารคนแรกตอบว่าสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้ายัางไงล่ะหลวงจบไกลแดนจึงเตือนว่าอย่าพูดมากไปเพื่อนรัก แต่ทหารคนนั้นย้อนถามว่าทำไมครับจะถูกมาพร้าวห้าวยัดปากหรือครับหลวงจบตอบว่าก็นั่นนะสิทหารคนนั้นกล่าวว่าคิดดูก็แปลกนะครับทำให้ทหารอีกคนหนึ่งถามว่าอะไรแปลกทหารคนนั้นจึงตอบว่าคือว่ากบฏแท้ๆพอชนะเข้าคนก็ต้องเคารพ บ, บูชายกย่องแม้ว่าจะเลวร้ายอย่างไรคนก็ต้องพูดถึงว่าดี เรากระโกันบ้างไหมครับคุณหลวงถ้าเราชนะเราก็เป็นสมเด็จพระมหาบุรุษหลวงจบไกลแดนพูดว่านี่น้องชายฉันสังเกตเห็นว่าเธอเป็นคนมีความรู้มากทีเดียวทหารคนนั้นตอบว่าฟังมากก็รู้มากครับหลวงจบไกลแดนถามว่าเธอฟังมาจากไหนเขาตอบว่าชาติตระกูลของผมตั้งแต่บรรพบุรุษเคยเป็นทหารของสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้า ดาบที่บรรพบุรุษของผมรบคราวสงครามไซโยกยังเก็บไว้ที่บ้านผมทวดของผมเล่าเรื่องให้ปู่ผมฟังปู่เล่าให้พ่อฟังพ่อเล่าให้ผมฟังผมผู้รู้เรื่องมากและรู้มากก็ยากนานหลงจบไกรแดนได้ฟังจึงพูดว่าถ้าเธอมีเลือดทหารพระนารายก็ดีแล้วเราคิดเสียว่าเราทำถวายแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าก็แล้วกัน เลิกคิดหมกมุ่นขุ่นใจเสเถะน้องชายเพราะมหากษัตริย์ก็เป็นคนคนก็ย่อมมีดีบ้างชั่วบ้างแต่บ้านเมืองเป็นของเราเราทำเพื่อรักษาบ้านเมืองของเราไว้ทหารคนนั้นย้อนถามว่ารักษาไว้ให้ใครหลวงจบไกลแดนต้องเสียเวลาเป็นอันมากสำหรับพูดกล่อมกลาวเอาใจทหารผู้นั้นซึ่งเขาเป็นคนฉลาดสมกับที่เขามีชาติตระกูลเป็นทหารของสมเด็จพระนารายณ์มาแต่ก่อน นายแก้วเป็นชื่อของเขาเมื่อเขาถูกเกณฑ์มาครั้งนี้อายุเขาราวยี่สิบห้าปีตั้งตนเป็นหัวโจกอยู่ในหมู่ทหารด้วยกันมีคนเชื่อถือและยอมเป็นลูกน้องมากเพราะเป็นคนที่มีความรู้ดีที่สุดและมีความเห็นคมคายที่สุดในบรรดาทหารในกองที่หลวงจบไกลแดนมาด้วยนี้หลวงจบไกลแดนได้พยายามจะผูกมิตรกับเขาและคอยตักเตือนให้เขาระมัดระวังถ้อยคาไม่พูดเรื่องที่จะเป็นภัยแก่ตัว และตกลงกันว่าการภายในกรุงศรีอยุธยาจะเป็นประการใดก็ตามทีเมื่อได้ออกศึกสงครามอย่างนี้แล้วก็จะต้องทำงานให้เต็มที่และจะต้องเสียสละเลือดเนื้อเพื่อบ้านเกิดเมืองบิดอนและเพื่อบูชาพระคุณสมเด็จพระนารายมหาราชโชคชะตาได้ชักนำให้เพื่อนทั้งสองต้องประสบเหตุการณ์คล้ายคลึงกันทางกองทัพพระยารัตนาทิเบตซึ่งหลวงแสนพลภ า, ายไปด้วยนั้น ก็ได้พบคนชนิดเดียวกันกันกบที่นายแก้วคนที่รักประเทศชาติรักพระมหากษัตริย์ที่ดีคนที่รู้เรื่องของสมเด็จพะระนเรศวรและสมเด็จพะระนารายณ์จึงเกิดความเบื่อนหน่ายกษัตริย์วงบ้านพลูหลวงทหารคนหนึ่งพูดว่าได้ยินปู่ย่าตายายพูดกันเรื่องศึกพมา่าเพิ่งมาพบจริงเห็นจริงในครั้งนี้ทหารอีกคนหนึ่งพูดว่าแล้วเราจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ทหารคนแรกพูดว่าเรื่องเป็นอะไรนะไม่กลัวดอก ตายก็ตายไปแต่เกลียดผู้ขี้เรือนกุดถังหลวงแสนพลภาพห้ามปรามว่าอย่าพูดอย่างนั้นน้องชายจะถูกมาเพ้าห้าวยัดปากแต่ทหารคนนั้นกลับตอบว่ามีปากอยู่ก็ต้องพูดครับแต่ถ้าเขายัดปากเสร็จแล้วก็แล้วกันไปทหารอีกคนหนึ่งพูดว่าให้เจ้าฟ้าอุุมพร์ขึ้นครองซะดีกว่าทหารคนนั้นตอบว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแต่ทหารอีกคนหนึ่งเอ่ยขึ้นว่า ใครครองก็เหมือนกันราชวงศ์ที่ถูกสมเด็จพระนารายณ์สาบแช่งไว้ก็ต้องมีอันเป็นไปต่างๆทหารคนก่อนตอบว่าตัวท่านเองท่านไม่เป็นอะไรหรอกนั่งแวดล้อมด้วยสนมกำนันตัวโปรดตัวปราณพวกเรานี่ยสิต้องตายก่อนหลวงแสนพลภาษ พ, พยายามปลอบใจพวกทหารว่านึกเสียว่าเราตายเพื่อกรุงศรีอยุธยาของเราบ้านเมืองเป็นของเราแต่ทหารคนนั้นกล่าวว่าของเราเมื่อไหร่ เราเป็นแต่ธาตุเป็นไพร่ให้เขาใช้เวลามีความสุขเราได้รับความสุขเวลาตายพวกเราต้องตายถ้าเป็นอย่างสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ผมจะไม่กลัวตายเลย